สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาพลังหลายในปฏิเวธาการเข้าถึงศาสนาธารมีเป็นอนาาันดับที่สองเพราะว่าในตอนต้นของบรรดาท่านบริษัทครอบครัวกำลังใจของท่านพอองคอโมโสดาบันเขมีครบแล้วหรือยัง น, น, นั่นคือการลึกที่ความตายเป็นปกติ เรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์หรือเปล่าวันหนึ่งเราน้นถึงความตายผิดแล้งหรือว่าไม่เคยคิดเลยรายการนี้สองิตที่เราจะตอบเปความโลกผิดศีลผิดธรรม้หรือเปล่าถ้าว่าผิดศีลผิดธรรมกันไหมก็กหกยีย่แยงมีอ้คิตที่ไม่สมควรอันนี้มี้ไหมหวังประโยชน์ส่วนตนเป็สุขั์ หวังความกอบโคลเป็นสำ ข, ขัญอันนี้มีไหมนี่ใจจริงพราโอกาสมีน้อยในยใจกอบโคลแต่จิตมัคิด น, นั้นมีบ้างไหมอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะต้องมีสิสุขอันนี้มีในอารมณ์จิตขอามาหรือเปล่าที่รายการที่สองารมณ์ขอเราที่มีความปล่อยใจในตามอกโคน เป็นรูปติดรูปยินเสียงติดเสียงกระทบกลิ่นติดกลิ่นกระทบรสติดรสกระทบต้นผัดติดต้มผัดอารมณ์จิตเกิดขั้วบริกรรมมารมกันในความสวยสดสวยงามในเสียงเต้นในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการต้นผัดสว่างเพิ่มอารมณ์อย่างนี้มีในจิตเราหรือเปล่านริการหนึ่งอารมณ์ติดในความโกรธความยุนแรง มีความรู้สึกวา่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นคนนู้นก็ไม่ดีมันไม่ไ ม, มีจริยาอย่างนั้นเป็นที่ไม่สมควรคนนั้นมีจริยาอย่างนู้นแต่อายการทำไม่สมควรอันนี้คืมีจิตของเราบางหร้อกปล่าเมื่อใการต่อไปเรามีควา ม, มหลงไหลฝ่ายฟันในสัพพวัตถุทั้งหลายแล้วเสิ่งที่มีชีวิต ยังคิดอยู่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราตนนเป็นพวกเราอย่างนี้เป็นตนมีมาหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่สแสดงว่าเรายังดีมือ่อพิุณความว่าเรายังไม่มีอะไรจะดีเลยถ้าเป็นบรุษก็ถือว่าเป็นโมค้าบรุษถ้าเป็นสตรีก็ถือว่าเป็นโมค้าสตรีทั้งนี้เพราะอะไรคําว่าโมคา้าว่เปล่าหาประโยชน์ปะเด็นนี้ได้ เป็นคนที่หมดลงคำวาหาความดีไม่ได้แล้วเดียวเพราะเราไม่มีความดีเพีงเพื่บรรจุว่าในใจเหตุาการอย่างนี้เป็นแค่ปัจจิกิเลสเบืองต้นถ้าหากว่าจิตเรายังมีสภาวะที่ี่อย่างนี้เอาต้องเลิกกินทินาสีกล่าวว่าอารมณ์ของเรายังไม่เข้าถึงสักเกความดีของศาสนาแต่สักเก็ตมันยังไม่ถึง ทีตามมาเราก็พิจาราว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าความเคารพในพระธรรมความเคารในความเคารพในพระพุทธสนี่หมายความว่าต้องปฏิบัติตามสิ่ง่มีในแทธรมะที่เป็นได้ของความดีให้สงอยู่ย่าลืมสำหรับท่านดุริยางค์สหกีไม่ใช่บกันนะื่กัน ทรงยาท่านลงตนว่าเป็นพระถ้าพระยังจะไม่สามารถรักษากรรมวจิตไว้ได้แค่สิ่งต่อจะไม่สามารสามารถรักษาไว้ได้ก็จะไปกาวอันใดถึงสิ่งสอง้อยี่สิบเจ็ดถ้าสิงสองอยี่สเจ็ดจมีความละเอียดไปยิ่งกว่านั้นผู้การราวนาพุทธวัฒนสงฆ์ที่เราเลี้พงตต้องปฏิบัติในศิ่บริสุทธ ตรงคุณธรรมพิเศษที่มีต่อหล่อตัวหล่อเลี้ยงคือกามิหานสีและก็ตัดอัตติสีมีสวัตตาอัตติมีอุปสมานอัตติป็นารมณ์นี่ก็หมายความว่ารวมความแล้วเรนาก็ต้องมีมรณะอัตติก็หมานคยถึงความตายเป็นอารมณ์ รับเพืความดีเขอโห ส, สบิบุตรสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับทักเทืเพื่อปฏิบัติให้ได้ความดีทุกอย่างและความทุกทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสิ้เปลี่ยงแล้วก็การกระทันอย่างนี้ชี้ว่าเราเข้าถึงบระถธรรมคือขอรับัตถธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นกายขอรับในพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นำอริธรรมคำสั่งสอนโอสิบุตรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเรา แล้วก็ยอมรับตัดสินแบบน้การละความชั่วเพื่ความดีด้านตัคือการส่งศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นความดีและละความชั่วแล้วก็ส่งตัวอยู่ในด้านคำพูดไม่ส่งศีลบริสุทธิ์เสียที่วศีลานุสติกรรมทานแต่เคารพใจว่าทรได้วธรรมานุสติกรรมทานได้เคารพใจจะส่งนด่วสังขารนุสติกรรมทาน การส่องสินบริสุทธิ์จะมักตวังสินสุ่าษีลานุสติกรรมฐานสินจะส่องอยน่ได้ก็อาะนยของผมมีหานสีคือเมตตาความรักจนนายความสงสารถ้าเรารักเราสงสารเราก็หนีตาใครเข้าไม่ได้เราเกียดสีใครเข้าไม่ได้ดเราแกล่งใครเข้าไม่ได้เราคิดประพฤติไรใครเข้าไม่ได้ถ้าเรารักเกลียดสงสารก ยิ่งเร า, ม า, มม า, ม า, าเไ ม, าาม่ต้องมีหางสี่เลยพระมีคือตาไม่อีกเ้อสียาบุคคลเอนก็ไม่ค้าวางเลยไม่มกต้องจำเรื่องงานบุคคลนั้นจะเรื่องงานเราเข้าเราม่สามาจะเหลียวได้ระต้องมี้มีหางสี่เป็นอย่างเลวที่เป็นมมจินะตปรจารมเป็นธรรมประจาจิตด้นะถ้าพระมีถ้าเรามีต ม, มีหางสี่รงตัวก็ถือว่าอย่างเลวยอนถึความเปน่า เป็นคนทาขั้นเลงของพระเทวนเพราะมันตรงพมีหาสีแล้วก็ต้องทึ้งอัคติสีอัคติก็หมายความเราไม่ดั่เอียงเพความรักเราไม่เอียงกับความโลภเราไม่ดัาเอียงเราความโกรธเราไม่ดัาเอียงเพรความห ล, ลงนี่เป็นนั้นว่าเราไม่ดั่เอียงเที่ยงันเราทรงใจใว้เป็นปกตินอกใจนั่นก็มีสิวตานุสติกรรมฐานเพื่อควกคุมใจ ในใจฮีริความ อ, อายควาบาปความชัวช่วเนี่ยแอคำว่าบาปก็คือความชั่วชั่วดีไปต้องแท้คนน้นบังติคนนี้บ้างเปี่งคนน้นบงังเปล่งคนนั้นบังพออิจาร์สอยาเขาบ้าวเขาติดใจความดีเขบคนอื่นบ้างอะไรนี้เป็นผนเพื่อนอันบาสี่งทั้หลายแล้วนี่เราไม่ทํำเราอายอายแล้วก็เปล่งเผยความชั่วนี้มันจะใหผลเป็นทุกถ้าเราเพล่งอย่านั้นจริงจริงผลนั่นก็เป็นทุก จงอย่าลืมว่ น, นี่ผมพู้แต่ท่านเท่านั้นไม่ใช่คนทุกคนไม่ไไมใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ต่อไปอันดับหลังที่สุดต้องมีอุปสมานสุสติสกรรมฐานป็นอารมณ์นั่นก็คือเราคิดเสมอว่าการทําความดีนี้ทั้งหมดเรากำหนดจิตว่าจะเพาะโดยอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราไม่ต้องการอะไรเลยเสียงที่เราต้องการานั่นก็คือพริพพาน เราทำทุกอย่างเพื่ันไม่ผันเราจะไปได้อย่างไงหนึ่งตัดความโลภเปการให้ทานไม่ใช่ดึงความโลภมาในการคอบโกรธตัวนี้เป็นตัวที่สาคัญที่สุสดสองตัดความหลงในหน้าเองสองตัดความโกรธในอน้าของควมมีันศรีสามตัดความรักเกลอนาใอสุขประสงค์อย่างนักกายกักตาลสติ คือแต่ความหลงในการใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอตามความเป็นจริงของโลกแต่โลกทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีสภาพเป็นทุกข์ตราสัพพิธีมันและทุกเสียงทุกอย่างของโลกมันตอนสลายตัวนเราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่เพียงเท่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ชั่งมน ไล้อยู่แล้วเราก็จะไปไปฝั่นี้เราจะไม่ทำให้กับพันหน้ามามองโลกอีกทางที่าจะไปก็ได้ก็คือสันติัยอย่าลืมนะว่าคนที่ม่งผลิตภัณฑ์ต้าใจผลิตพัน์ไม่ต้องต้างใจแปใจมายกุมคลายความโลภโดยการให้ทานไม่ใช่ก่อป่วยคลายความรักโดยการพิจาราเห็นสภาวะของคนและัตว์เป็นเรืความสุขปบเพื่อสุขสัญญา ลายคตัวด้วยการตัดอารมณ์อิจฉาอยจฉามีความไม่แากตุวนาวสองสา่างมันใช่เห็นคนเหนียวใช่ไมเพราะฉะนั้นเลยคนนี้เหลวแต่เราถ้าเราคิดอย่างนั้นแดเราเลวกว่าเขามากนะักเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเอาจิตแค่ประยุกต์แล้วว่ากิเลสมันล้มจากใจมันถึงปากถ้าตัดความหลงได้แปลนั่นก็แต่ความหลง และวดยการใช้ปัญญาหาความเขียวนีคนที่เขาจะไปนี่ไปเขาไปกับอย่างนี้ถ้าเรามีความในโลกเรามีความหลงในโลกเสียงกลิ่นแลสัมผัสเรามีความกวดความเจ็บปิดมีอารมณ์อิจฉาปัญญาของคนเองทอบเป็นทาชอมว่ารายย่อเสียสีคนเองนี่มันเป็นทางของโลกไม่เใช่ทางของสวรรค์และไม่ใช่ทางเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์ไปอีกหลายแสนกรับ โดยเพาะอย่างยิ่งทัศนิตท่างร่างกายโยค่ากาส า, าวะพัสก็ไปใหญ่ต้องจมพลังอยนาวทีมหานักสิ่งสายนั้นเป็นอันว่าอีกแสงกลับเราก็ยังไม่มีโอกาสีะพบองสมเด็จพระพุทธธรรมานปรมศสันดา์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรก็ยังเป็นเปลิดบ้างไปรสุรกายบ้างไปตะเกียงชับ้างไปสัตว์ น, นรกบ้าง ถ้าก า, ารอย่างนี้มีกับเราที่เราขัดผลจะก็เป็นโมฆะตัวรุตธรรมชาติเราเกิดมาแทนที่จะต้องความดีได้กลายเป็นคนพวเปล่าไร้ประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวนีทนทวน่ทบทวนอารมณ์จิตเบิกคนเพราะจิตของเราส่งได้ลักษาะความดีที่กล่าวมาแล้วนี้มึกถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตและถึงคนบุพการนสิสวรรค์ ให้ควเสียนให้บริสุทธ <c oughs> ิ์มีความมีห <c oughs> ัตถ์สีไปจันใจมีเหตุทีเราตบตามีผลิพานไปดารมจิตพอใจในการให้ทานการปกครเพถ้าเรารักคนและสัตว์กสมอกสงสายคนเละสัตว์เสมอการปรารถนาจะช่วยูนให้มีความสุขเมี่อองคย่นี้ามีแล้วทีเนี่เราไปยังไู่กับทุก การเข้าไปทำฌานและจิตสรงตัวนี้ยัาา ง, ยง ไ, ไม่ใช่ของจริงแ่ลว่าควรจะฝึกเอาสมาธิเรื่งกายพร้มจะอบรมพวกใจของจิงแตแปลว่นนาในขณะใดเรามีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่ประมาทชีวิตเราจะต้องตายในเครื่องความตายจะมาเมาื่อไรเราคิดได้ว่าเกิดมามาจึงคุกเราจะยอมยากับตัวชีวิตจนกระทเราตายในสิ่งตน แต่วมีอุปสมาาโนติกรรมฐานเป็นสุดท้ายบางมันจะผ่านเป็นอารมณ์สุวคิจิต์เองนะอรรมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าโสดาสกิทาคามีถ้าระดับพระสกิทาคามีนี่ความโลภแม้เสืดไม่เหลือความรักในระวางเพศเกิดไม่เหลือความโกรธความกำหนัดเกิดไม่เหลือความหลงกลางๆมันก็เกิดไม่เหลือเหมือนกันมันบางเลยมาก เมื่อจิตมาขณะนี้แล้วแล้วก็บรรจิตเจ้าประสบความเป็นพันนากามีพิสเลตพันนาการมีมีสองยกสองนั่นคือการตัดการมาสังขละเดินลาดจิพิจารณากายตาสติพิจารณาเห็นหนากายขอเรา็นสตั๊ดในเคองของสุขสุขสงก์เป็นทิ้งเป็นตอนเ็นตอนไม่ใชเป็นแช่ทิ ร่างกายเมีก า, ารสารทีาา่สองสแบ่งเ็นสารสองส่วนแต่ละส่วนก็รุนแรงถึงขั้วเป็นของสกบปะรดถ้าเจอหน้วกเออ็เป็นอันจังหาความเสี่ยงเได้เป็นทุกขังนี้ต่เรายึดถีอเกาะซึงมังมนแล้วก็มีความทุกะณามีการสลายตัวไปในทีส่สุดเราเห็นสภาพความจริงของขันท่าปรเต็มเป็นความโศกเพราะท่า้ผิดเกิดตามเบื่อนน่ายที่เรนนยเียวกว่น า, ยยานี้กิจายัน ็สนสัดส่วนโยติสองของกานาคามีเริ่จัดเป็นสังคุโยติห้าในบรรดาสังโยติทั้งหมด ต, ต, ต้องขยันปัดปฏิฆาความกระทบกระทันจิตต้องมีอารมณ์กระทบและความไม่พอใจเกิดขึ้นพระอนาคามีตัดตัวนี้ตัดอารมณ์ที่เป็นอนิจารมณ์เพื่ออารมณ์ที่เราไม่กอดใจอย่างคนละทุกข์ทยบ สแสดการอยากสแสดงกายขัดใจถ้าบนที่ขัดเกียวขุ้คคลธรรมดายเวลาทามีตัดตรงนี้ออกเสียเขามีคมคิดคิดเสมอว่าธรรมดาต้องสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นซึ่งเชื่อสัตว์ท้องโลกเอาอะไรจริงจังไม่ได้ท้องโลกของโลกันรเนิะจังหาความีริงไม่ได้ ใเมื่อสภาวะของโลกมันไม่เที่ยงวาจาของคนมันก็ไม่เที่ยงจริยาของคนแสดงออกกับเรามันก็ไม่เที่ยงทุกคนคนเดียวกันวันนี้แสดงความรักพัุ่นี้อาจจะแสดงการเป็นศัตรูต้วฟันแน่นอะไรไม่ได้บคนวันนี้เป็นศัตรูตัวร้ายใจของเราแต่วันพรงนี้อาจจะเป็นมิตรกันก็ได้ เป็นอาปการแสดงความเป็นนิตรคน ด, กดีการแสดงเปนสัตว์ประดิษฐเรายอา่อมไม่คืออาเป็นสาระสำคัญที่ว่าทุเสียงทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรส่งตัวมันเป็นเรื่องธรรม ด, ดาของชาวโลกทําใจสบายนีความรู้สึกเสมอว่าชาวโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความโลภและคือวจิตใจของชาวโลกคนของโลกโวยจิตใจก็เป็นของโลกโวยคือเข้าไมา่ถึงธรรม เมื่อมือการแัดแย่กายขึ้นลงอย่าตามปกติหาความเที่ยงไม่ได้ฉะนั้นจริยญาณใดที่เขาทําให้เป็นที่ขัดเกลือนใจเราโดยปกติเรามักจะโกรไปเสียงที่เขาทำเป็นที่ไม่ชอบใจเราให้เราแทนที่จะโกรธแล้วก็โยนความโกรทิ้งไปเพระว่าพอเราจะโกรธก็จำแล้วก็คิเมื่อเวลาจะรับไป ใ น, yup. น person, the Luther, ster, ตอนเย็นท่าทิศรับไปแต่สว่างหมดไปสร้าความลําบากให้ยายเราเราต้องหาแสาสว่างอีกหัวแทนที่เวลารตอนเช้าพอทิศปลายกดมีเราก็ดีใจถ้าท่าทิศจะรับไปเราก็กดราทิตทั้งนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไงไงตอนเช้าพอทิศปลายกดตอนเย็นท่าทิกละับไฟไปมันเป็นของบรรดาอย่างนี้ เราจะเป็นแกล้งกดตัวทิฏฐิมันกํำลังจะรับไปจะดีใจเมืาอา่อโดนทิฏฐิแกล้งกดนั่นก็ไม่มีของที่ทำอย่างนั้นตัวธรรมดามันเป็นอย่างนั้นที่กดธรรมดาที่ดวงพระทิฏฐิรับไปถ้าเราไม่พอใจพระทิฏฐิตกตรงปราดตขึ้นเราดีใจเป็นกิจที่ไคนควรทำชั้นใดเป็นอารมณ์ที่ในคนรทิชชชันใดเจริยาของบุคคลหลายวาจาของบุคคลหลายที่สร้างความขัดเค็มให้เกิดไปใจเรา คนที่ไม่พอใจเราแล้วเราปฏิเสธเก็ไม่ควนนรจะมีอก า, ารอย่างนี้ปรากฏขึ้นกันทั้งนี้เพราะอะไรคือว่าคนในโลกยังเป็นต่าทีิเละจันหาอุปาทานและผลผลกรรมที่เขาสร้างความเป็นที่ไม่พอใจให้เกิดกับเราเราลองคิดดว่าทั้งตัวเรว า, าก็เดีวกันเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะสร้างความชั่วอยากจะทาชั่วอยากจะพูดชั่ว อยากจะคิดชั่วด้วยความจรงตามความรู้สึกขอเราไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนเมื่อก่ออะไรเพถ้าเราทำความชั่วเพ่ที่ทมันคอยใจผู้คนอื่นเราก็เป็นศัตรูกับเขาเขาก็เราก็มีไ ม, ไม่ไม่มีความเป็นมิตรกันคนเมื่อมันมีความเป็นมิตรกันมันเจ็นศัตรูกันก็ไม่เด็ความเด็ดเดี่ยวให้คนทุกคนไม่ต้องการศัตรูแต่ว่าที่ทำประอย่างไ น, นก็คือเพื่อเพื่อควเท่าไม่ถึงกัน เพราะอะไรเพราะกิเลสความต้้งมองขอจิตพิวพางโงกของจิตเพราะกิเลสกดดังความสลายปัญหาเป็นบรรดาลให้เกิดความพยานอยากสร้าดความทุกขพตัวอวบอ้วารมันติดฝังความรู้สึกความรู้สึกดีผิดรู้สึกสิดรู้สึกชอบเสียเห็นว่าการทางความทั่ว์เป็ของดี อาโกตุณ right ัรจัมว่าจิตสรางมีกรรมอย่างนี้เพรจะอํานาจกิเลสปิตใจสร้างความชั่วยเกิดขึ้นนี่เป็นอันว่าคนทงหลายก็มีกิเลสตัณหาฝาดันและกตุณัตจัมปิดบังใจที่ทําความชั่วต้นประเพณี้ปีนคนที่น่าสงสาลเพราะเขามีความทุกข์ในชาตนี้ต้องมีความทุกข์ในสัมราระภพดังนั้นต้องทำหน้เที่ละตอบเจริญแก้ความรู้สึกตรงนี้คืออํานาจธรมภิ hall ี คิดมีปกติคิดเว้เสมอว่าเราจะมีความรักความเมตตาบุญละลายทั้งสัทั้งหมดถ้าเขาทําความดีเราจะให้อภัยก็ไม่มีความรู้สึกใดๆในการเป็นสัตรูกับเขารายการเลสางแทนเยื่อโต่อไปไกลกับคาที่รุนแรงก็ให้อภัยที่มีความท่องสารการพนาจะระคับประกองเขาให้มีความสุข เราเราจะไม่สาดด้วยสียาเขาเมื่อเขาได้ดีเราจะต่อดีๆด้วยถ้าคนใดเป็นกฎของกรรมยับยั้งไม่ไหวท่านเราจะวางเฉยเพราะว่าเป็นเหตุสุดที่ใส้เราจะชวยได้ไม่อย่างเลยไม่อย่างเลยเพราะอารมณ์ของตัวมีหางสีเป็นที่ไม่ถูกไปเราต้องเป็นอารมณ์คิดกิดอาจจะสั้นบางทีข้างบาคนต้อ่ต้องการอารมณ์ปังถ้าต้องการอารมณ์ปังพระพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานให้ทํา ก็คือมันใครก็สีสีรายการเล็กกระสีสีแดงกสิสีสีเหลืองกระสีสีเขียวกระสีสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งต้องารมณ์ให้เป็นสมาธิเมื่อกระสีน้นสีรายการนี้สามารถจะก่ออารมณ์ที่เป็นโทสะวริบาตคือความโกรธตามพยิบาตกองล่างกองฐานพิรุาไปแล้หลังจากนั้นก็อัปปะทมําสั่สอนโสมเ้ไปคือสกายติที ได้แต่มาพิจารณาว่าเราก็ดีเขาก็ดีจะมานั่งโกรธเขประโยชน์อะไรถ้าแต่ภาพร่างกายของเราเขาของเขามันก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของกิเลสตันหาวฝาทานละโกรธสุลจัมที่เราโกรธที่เราโกรธคันห้าของเขาเขาโกรธเราแสดงการต่อเราแสดงตัวกายคันห้าของเราที่เขามโม้บัตุสลายไม่โม้บัตุสลายคันห้าไม่ใช่โม้บัตุสลายเราสืดที่ เพราะนั้นเราเชื่อโองค์สมุทัยธรรมศาสตร์มิตราดการมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเขายันดากายพยภาว่ากายพยิคุปสุได้กายก็เป็นเรื่องของเขาเราปล่อยไปทำใจของเราให้เป็นสุขอรรนดาพุทธบริษัทวันจริงวิธีนี้เราแนะนํากามมาสําหรับธรรดาก็มีสถาการและผูดต้างอย่างนี้ก็ถือว่าพิโวข้อต่อนั้น การจะเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เพียงไรก็อยู่ที่การฝึกใจบรรดาท่านผู้บริษัทธ์โดยเพาะอย่างยิ่งกันฝึกแบบนี้ให้ระรับการเ่องสร้างขจิตไว้ใมากให้เกิดส่อนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ระดับรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ต่อที่นี้ไปกอทุกท่านธ์ตายกายให้เกิดวัฏสงฆ์สิเทมัน กบหนดรู้ลงให้ใจเข้ย ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามติยาใจจนกว่าจะดียนสัญญาณบอกหมดเวลา